เคยได้ยินชื่อนะประเทศภูฐานหรือปูตานภูธานนี่เขานับถือพุทธศาสนาเหมือนกันนะแต่ว่าคนละอย่างจากบ้านเราของเรานิเทราวาทของภูฐานี่วัชรยานหรือพุทธศาสนาปฏิเบตคนภูฐานเนี่ยเขานับถือพระทิเบตนะหลายองค์ทีเดียวนะแล้วก็องค์ที่มี ชื่อแล้วก็ดก ร, รับการเคารพนับถือมากนะก็คือท่านดุล ป, ปะกุลเลเป็นพระชาวทิเบตที่จาริกมาสอนธรรมะในปูฐานท่านนี้เป็นมาจากตระกูลสูงนะแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่แห่งหนึ่งใหญ่มากๆแต่ว่าท่าน ไม่ชอบท่านก็ทิ้งวัดมาแล้วก็มาจาริกสอนธรรมะกับประชาชนคนทั่วไปเพราะว่าต้องการอยู่แบบเรียบง่ายสัมผัสชาวบ้านอันทุกปานนี้ก็มีนิสัยแปลกๆนะคือท่านมีอารมณ์ขันแล้วก็ทำอะไรก็ไม่เหมือนกับ นักบวชทั่วไปมีคราวหนึ่งท่านจะริกมาแล้วก็เจอถ้าแห่งหนึ่งก็ค้างคืนที่ถ้าแห่งนั้นแล้วก็แต่ท่านสังสารใจว่าจะมีโจรเนี่ยเข้ามาปล้นนะทรัพย์สินของท่านที่จริงท่านไม่มีอะไรมากนะแต่ก็อยากจะสั่งสอนโจรกลุ่มนี้นะ ท่านทำยังไง ร, รู้ไหมท่านก็เอาถุงเงินเนี่ยเทเอาเทเงินออกนะพวกเหรียญเหลือเนี่ยเอาออกแล้วก็อุจระใส่เข้าไปในถุงนั้นนะถ้านเป็นคนแยงแผลงนะก็อุจละใส่เข้าไปในถุงนั้นแหละเสร็จ แ, แล้วก็นอนหลับนะตกค่าเนี่ยตกดึกเนี่ยโจรก็มานะหัวหน้าโจร น, นี่ตรงมาเองเลย เพราะว่าชอบปล้นคนเดินทางพอมาถึงก็เห็นท่านยุกปะหลับอยู่ก็เลยล้วงแหววถุงเงินแล้วก็เปิดถุงเอามือล้วงเข้าไปพอรู้ว่าล้วงเจออะไรก็ร้องโอ๊ยขี้นะตกใจมากนะสบัดมืออย่างแรงเพื่อให้ขี้มันกระเด็นหลุดมือแต่บอกว่าก็สบัดพอสบัดมือมันก็ไปโดนพื้นไปโดนหิน ที่อยู่บนพื้นก็เจ็บเจ็บมากเลยเจ็บมากทำไงก็เลยเรียกเอามือเนี่ยรยบอมมือเลยนะเอามือเนี่ยยัดใส่ปากเพื่อดูดนะให้มันหายเจ็บไงแคนเราเวลาเจ็บมือเนี่ยนะเราก็เจ็บนิ้วเราก็จะดูดนะให้มันหายปอกันว่าหายเจ็บเลยนะเมื่อรู้ว่าดูดอะไรเข้าไปนะทีแรกก็รู้นะว่าเป็นขี้ใช่ไห แต่ทำไมถึงเอามือเนี่ยเปื้อนขี้เนี่ยใส่ปากนะเพราะความตกใจและเพราะความเจ็บปวดนะนะพอสะบัดมือไปแล้วมือไปถูหินนะปวดพอปวดแล้วเนี่ยดอัตโนมัติจะเรียกว่าด้วยความลืมตัวก็ได้นะก็เลยเอามือเนี่ยยัดใส่ปากเพื่อดูดให้มันหายเจ็บ นิชาเรงนี้สอนว่าเมื่อลืมตัวแล้วก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแม้กระทั่งดูดขี้ของคนอื่นนะนการลืมตัวนี่ต้องระมัดระวังนะเพราะคนเราถ้าลืมตัวแล้วนี่อะไรแล้วก็สามารถจะทำได้ทั้งนั้นนะคนเราลืมตัวได้ด้วยหลายเหตุผลเช่นโกรธนะกำลังดูมวยหรือดูบอล ทางโทรทัศน์บอกว่าโทรทัศน์มันรวนภาพล้มนะบอล น, นี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มนะกำลังถึงจุดคลายแม็กภาพล้มโมโหนะทำยังไงพยายามแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้โกรธนะพอโกรธแล้วก็บางทีก็ถีบโทรทัศน์พังเลยนะเสร็จ แ, แล้วก็มาเสียใจว่าโอ้เรา ทำโทรทัศน์พังใชแล้วตกมาจากโต๊ะนะจอแตกเลยนะมันนึกได้ก็สายไปแล้วนะอันนี้ก็เพราะความลืมตัวนะโจเนี่ยมันลืมตัวเพราะมันปวดแล้วก็ตกใจแต่ว่าหลายคนลืมตัวก็เพราะความกโกรธนะคนเราอย่งลืมตัวได้ด้วยหลายสายเหตุนะ เช่นใจลอยเนี่ยใจลอยนี่ก็ทำให้ลืมตัวได้นะแล้วพอลืมตัวแล้วนี่มันก็ลืมอะไรได้อีกหลายอย่างมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งนะเวลาไปทำงานเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนะเธอมีลูกนะก็จะนั่งไปกับลูกนั่งเบาะหลังกันนะเพื่อจะ พาลูกไปส่งที่เนอร์เซอรี่สถานุบาลเนอร์เซอรี่นั่นก็ใกล้กับเทศบาลที่นายกเทศมนตรีคนนี้ทำงานนายกกับผู้เป็นแม่เนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็รู้จักกันดีบ้านใกล้กันเพราะฉะนั้นก็ติดรถนายกเทศมนตรีไปส่งลูกนะเป็นประจำ วันหนึ่งแม่ไม่ว่างก็เลยฝากนายเทศมนตรีบ้านช่วยเอาลูกไปส่งด้วยลูก ป, ประมาณสักสองขวบสามขวบเอาลูกไปส่งที่เนอรเซอรี่นะนายเทศมนตรีก็รับปากนะไม่ยากอะไรอยู่แล้วเพราะทำเป็นกิจวัตรเบิร์นเช้า ว, วันนั้นเนี่ยมีประชุมประชุมสำคัญด้วยในเทศบาล แล้วก็คงจอกรถช้าหรือว่ารถติดไม่ทราบนะก็ทําให้ถึงเทศบาลช้ากว่ากําหนดเลยเวลาประชุมไปแล้วในขณะที่ขับรถนายทวีศน์จึงคงจะคุ้นคิดถึงการประชุมและยิ่งรู้ว่าจะประชุมจะไปถึงที่ประชุมช้าก็รู้สึกร้อนใจมีความวิตกกังวลเพราะตัวเองเป็นประธานในที่ประชุม ตอนที่ขับรถนี่ก็คิดถึงเรื่องประชุมนี่แหละนะกังวลด้วยพอถึงเทศบาล น, นะก็รีบจอดรถและวิ่งขึ้นไปอย่างห้องประชุมนะชั้นสองพอถึงก็ไปประชุมเลยเพระมันเลยเวลาไปมากแล้วประชุมจนเสร็จเที่ยงก็ทำงานต่อนะจนเย็นนะสี่โมงเย็น พอเสร็จงานก็ห้าโมงได้มั้งก็ลงจากรถลงจากสำนักงานเทศบาลแล้วก็ขึ้นรถขับรถไปได้สักพักมองไปที่กระจกหลังตกใจนะเด็กนะเด็กที่เพื่อนบ้านฝากเอาไว้อะอยู่ในรถตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยเก้าโมงนะ นึกภาพอยู่ถึงสี่ห้ามงเย็นเนี่ยแล้วรถนี้ก็จอดอยู่ตรงนะริมถนนซะด้วยเนักเทสตีก็รีบลงมาจากรถแล้วก็เปิดประตูหลังาอกว่าเด็กนี่นิ่งไปแล้วเด็กหมดลมไปแล้วนะหมดลมไปเพราะว่าโดนแดดเผาขาดน้ำมากตายทำไมนักเทมรวนตีถึงเลวลืมเด็กนะ แม่ฝากลูกเอาไว้ให้ช่วยไปส่งที่เนอะร์เซอรีน่นะแต่แกลืมลืมสนิทเลยที่ลืมเพราะอะไรนะก็เพราะว่าใจลอยเนี่คุณคิดถึงงานขับรถอยู่แต่ใจลอยไปทีนะ่สำนักงานเทศบาลไปที่ห้องประชุมแล้วไอตอนนั้นแหละที่ทำให้ลืมตัวนะเมื่อใจลอยก็ลืมตัว พอลืมตัวแล้วก็ลืมเด็กแล้วก็ลืมอะไรอีกได้อีกมากมายพวกเราคงจะมีประสบการณ์นะเวลาเราลืมตัวเนี่ยเราก็ลืมอะไรต่ออะไรต้องหลายอย่างลืมแม้กระทั่งความรู้นะลืมความรู้เนะี่ยเวลาตกใจเนี่ยนะไอความรู้ที่มีอยู่ในหัวนี่มันมันตกหล่นเลี้ยเยล่าหายไปหมดเลยนะ อาจารย์พุทธทาสันเคยเล่านะว่าเมื่อสมัยตั้งห้าชัหกสิปีก่อนเนี่ยสมัยน้้ยคนไทยเรายังใช้เหรียญสตังแดงนะสตังแดงหนึ่งสตังเนี่ยเดี๋ยวนี้หนึ่งสลึงเราก็คงไม่ใช้กันแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยแค่สตังหนึ่งสตังนี้ก็มีค่านะมันมีเหรียญเป็นเหรียญสตังหนึ่งสตังเป็นทองแดงแม่ลูกอ่อนนี่ก็ นะมีลูกตัวเล็กๆอายุยังกระตอกกระแตกอยู่เลยเนะี่อกว่าเด็กเผลอไปหยิบเหรียญหนึ่งสตังแล้วก็จับใส่ปากมันก็ไปติดคอติดคอเด็กก็ร้องไห้แม่รู้เข้าก็ตกใจนะียทำยังไงดีลนลาเลยเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า น้ำกรดเนี่ยนะมันสามารถจะกัดสตังแดงได้มันสามารถกัดทองแดงได้พอรู้ว่าลูกเนี่ยนะมีเหรียญทองแดงติดคอก็เลยเอาน้ำกรดเนี่ยกรอกปากนะลูกเลยได้ผลไหมนะมันก็ได้ผลนะคือว่าเหรียญทองแดงไม่ติดคอแล้วเพราะว่าน้ำกรดมันกัดนะแต่ว่าเด็กเป็นไงรอแลนะ เผอเอตายด้วยแม่ก็มีความรู้นะว่าทองแดงเนี่ยมันน้ำกรดยังมันกัดทองแดงได้นะแต่ว่าในยามที่ตกใจก็มองไม่ถีทวนนะว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันอยู่ในคอลูกนะน้ำกรดเนี่ยมันกัดทองแดงได้ก็จริงแต่ขนาดเด็กก็กัด เ, เนื้อหรือว่าลำคอด้วย ในยาปกติเนี่ยแม่คนไหนก็คงไม่ทําอย่างนั้นหรอกเอาน้ํากรดกรอกปากลูกแต่เพราะตกใจไงมาตกใจก็ขาดสติพอขาดสติแล้วปัญญามันก็มาแบบกระพร่องกระแพร่งปัญญามันมาไม่ครบถ้วนเห็นแต่เพียงแง่เดียวก็คือว่าเาน้ํากรดมันกัดทองแดงได้ แต่มองไม่ตลอดว่าทองแดงไอ้น้ำกรดนี่มันก็สามารถจะทําร้ายลูกน้อยของตัวได้ <Yeah. S 1> นี่เรื่อความตื่นตกใจก็ทําให้ลืมตัวพอลืมตัวแล้วนะมันก็ทําอะไรได้ทั้งนั้นนะะพวกเราเนี่ยนะต้องตระหนักนะว่าเราไอ้การที่เราไอ้ความรู้ความลืมตัวเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวมากนะปกติเราก็ลืมตัวกันบ่อยนะระหว่างที่ทําวัดก็ลืมตัวนะใจก็ลอยนะบางทีตอนที่สวดมนต์นะนโ ม, นน ม, โมตัสสะภะคะวะโตอะราโตเนี่ยที่นี่ปกติก็ต่อเมื่อจบที่สามเนี่ยถึงจะแปรนะว่าขอนอบนอบ้นอมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ว่าหลายคนเนี่ยด้วยความเคยชินนะพอถึงพอถึงจบที่สามนี่ก็ mm. ก็ยังนโมตัสสะภควะโตอรหะโตยาวไปเลยนะ mm. ลืมไปว่ามันต้องมีแปลนะอันนี้ก็เพราะลืมตัวนะเพราะอะไรเพราะตอนนั่งใจลอยนะใจลอยก็เลยลืม ไ, ไปว่าจบที่สามนี่มันต้องแปลด้วยนะไม่ใช่สวดแต่บาลีล้วน ระหว่างที่ฟังทำก็อาจจะใจลอยไปหรือระหว่างที่ยกมือสร้างจังหวะใจก็ลอยตอนนั้นก็ลืมตัวนะคือไม่รู้ตัวว่ากาลังทำอะไรอยู่อันนั้นคือไม่มีสตินะเมื่อไม่มีสติก็ไม่มีความรู้ตัวแต่ว่ามันเป็นความไม่รู้ตัวหรือความลืมตัวที่เกิดขึ้นช่วงสั้นๆ น, นะหรือว่าอาจจะไม่เกิดผลเสียอะไรมากนะ เพราะว่าเราอยู่ที่วัดนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าในบางสถานการณ์การลืมตัวเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียร้ายแรงมากนะมันไม่ได้หมายถึงการลืมโทรศัพท์ไม่ได้หมายถึงการลืมกระเป๋าเงินนะแต่ว่าอาจจะหมายถึงการลืมอะไรที่ยิ่งกว่านั้นแม่ที่ลืมลูกไว้ในรถนะ เพราะว่ารีบลงจากรถไปซื้อไปไปห้างไปซื้อของนะเพราะว่ามีงานเลี้ยงนะต้องรีบไปซื้อทำเวลาทิ้งลูกไว้นะในรถแล้วรถนี้ก็จอดอยู่กลางลานกลางแจ้งนะอย่างพวกเดอะมอลล์อะไรเงี้ยหร Big C, อยือบิ๊กซีเงี้ยทิ้งลูกเอาไว้ให้แดดเผาในรถนี้ก็มีแล้วนะ แล้วก็มีหลายหลายกรณีด้วยอันนี้ก็พอลืมตัวนะนะพอลืมตัวแล้วก็ลืมอะไรได้ทั้งนั้นนะบางคนลืมตัวพ่อเมานะพอเมาแล้วก็อางทีอาจจะเปลืองผ้านะเลยโดยไม่รู้ตัวนะหรือว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้คนอื่นมาทำไม่ดีไม่ร้ายนะ เสร็จแล้วก็เกิดทองเกิดไส้ขึ้นมาอันนี้ก็เกิดอยู่ บ, บนะ่อยๆนะเอาไ้นั้นเราอย่าไปอย่าไปประมาทนะไอ้ไอการไอ้การลืมตัวเนี่ยอย่าไปคิดว่าสติที่เรามีทุกวันนี้นี่มันพอใช้พอไหวแต่ในบางสถานาเนี่ยพอเราเจออะไรมากระทบเราตกใจ ล้วก็ลืมตัวทันทีเลยหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ลืมตัวพูดไปหลุดปากออกไปบางทีคนที่เราหลุดปากว่าเขาเนี่ยก็คือแม่หรือพ่อหรือว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดแล้วก็มาเสียใจายภายหลังพอเสียใจยแล้วแทนที่จะขอโทษก็ไม่กล้าขอโทษกลัวเสียหน้านะ เสร็จแล้วกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเพราะคนที่เราอยากจะขอโทษเขาก็เกิดเนียนเป็นไปตายขึ้นมาหัวใจวายประสบอุติเหตนะุแล้วก็มาเสียใจว่าน่าจะขอโทษเขาแต่ก็ไม่ขอโทษเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคน น, ะนั่นเราอย่าประมาทในะเรื่องความลืมตัวเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ ไม่ลืมตัวหรือว่าลืมตัวได้ประเดียวประดาวแล้วกลับมารู้สึกตัวก็คือนะสติเนีที่เราพยายามทำอยู่นี่นะก็คือการพยายามสร้างความรู้สึกตัวด้วยการทำให้สติของเรามีความรวดเร็วฉับไวสติแปลว่าเราลึกได้นะสัมปชัญญะคือรู้ตัวอันนี้เป็น เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเป็นฝาแฝดนะสติกับสัมปชัญญะแต่ว่าบางทีเราก็เรียกวมๆกันว่าเราเรียกวมๆกันนะว่าสติรวมความรู้สึกตัวเข้าไปด้วยความรู้สึกตัวนี้สำคัญมากนะเพราะถ้าเรารู้สึกตัวได้ไวเราก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มาเผาหลนใจเช่นความโกรธหรือว่าสิ่งที่อารมณ์มันบีบคั้นจิตใจ นะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวันก่อน2วันก่อนว่าคนเราทุบความคิดนะและที่ความคิดมันเล่นงานเราก็เพราะเราไม่รู้ทันความคิดอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเราก็จะสลัดก็จะวางมันได้เราจะรู้ทันความคิดได้ยังไงเราจะรู้ทันอารมณ์ได้อย่างไรก็ต้องฝึกจากการที่เรา รู้ตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวก่อนเรียกง่ายๆว่ารู้กายนะกายเนี่ยมันเป็นของหยาบนะเมื่อยกมือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ายกนะเมื่อเราเดินเราก็รู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวขึ้นนะที่ขาแล้วมีการเคลื่อนตัวไปทั้งตัวอันนี้แหละมัน ถ้าเรารู้สึกตัวหรือว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะเราจะรับรู้ได้เราจะรู้สึกได้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวมือกาลังยกเท้ากําลังเดินนะหรือว่าขณะที่เราอาบน้ำเราเอามือรูดตัวรูปตัวเราก็รู้สึกนะว่ามือมันเคลื่อนไหวนะใจที่รู้สึกนะเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมันจะวัย จนสามารถที่จะรู้เมื่อมีความนึกคิดเกิดขึ้นนะรู้กายเคลื่อนไหวแล้วต่อไปก็จะรู้ใจเมื่อคิดนึกนะใหม่ๆเนี่ยนะยังยังไม่ทันรู้ใจหรอกคิดทีไลมันไปทุกทีเลยนะความคิดนี่มันมีแรงดึงดูดนะคิดเรื่องแล้วก็ตามมันก็จะดูดจิตไปหรือว่าถูรูถูกกังไปเลย อารมณ์ก็เหมือนกันนะเวลามันเกิดขึ้นนะมันก็ดูจิตลงเข้าหาอารมณ์นั้นเช่นโกรธเศร้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญสติ บ, บ่อยๆเริ่มต้นด้วยการรู้กายนะกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้นะหรือกายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกนะต่อไปเวลาใจมันเผลอคิดนึกไปโดยไม่ไม่ตั้งใจ นะสติก็จะช่วยให้ไปรู้ทันมันนะรู้ทันเนี่ยก็คือทําให้เห็นเห็นความคิดนะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นอารมณ์ไม่ค่อยเห็นความคิดนะเพราะว่าไม่ได้ฝึกมาคิดทีไรก็ใจก็จมหายก็ไปในความคิดมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นใจก็จมหายก็ไปในอารมณ์นั้น ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเป็นผู้โกรธเป็นผู้เกลียดเป็นผู้คิดนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเห็นความคิดถ้าถ้าใจไม่คิดนะกายทําอะไรนะก็เห็นหรือรู้ว่ากายกําลังทําสิ่งนั้นใช่รู้ว่ากายกําลังยกมือหรือว่ารูว่มือกําลังยกรู้ว่าขากําลังเดิน เขาเรียกว่ารู้กายนะอันนี้ก็ต้องอาศัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสติใจมันลอยนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมือมือยกใจก็ไม่รับรู้ด้วยนะขาเดินใจก็ลืมไปไม่รับรู้จนกว่าจิตจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไงเพราะมีสติดึงกลับมานะ นี่การทำงานของสติเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเรารู้กายเวลาเคลื่อนไหวเมื่อใจคิดนึกก็จะรู้ทันแล้วหรือว่าเห็นนะความคิดนึกเกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วนี่มันไม่เข้าไปเป็นนะเห็นกับเป็นนี่มันแตกต่างกันนะเห็นความเครียดแต่ไม่ใช่ผู้เครียดนี่ต่างกัน มีนักศึกษาคนหนึ่งมาปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติได้สามสี่ห้าวันก็มาถามหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อมำเขีย น, ยนท่านมาละับภาพไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วมาถามว่าหลวงพ่อท่านเป็นไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อท่านไม่ตอบนะแต่ถามแต่พูดว่าแต่ถามกลับไปแทนนะบอกว่ายัางยัง ยังตอบไม่ถูกยังพูดไม่ถูกให้ถามใหม่นะนักศึกษาก็นึ่งสักพักแล้วก็พูดขึ้นว่าเออหลวงพ่อหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินมันต่างกันนะระหว่างหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดนะหนูเครียดกับหนูเห็นความเครียดนี่ต่างกันหนูเห็นความเครียกก็คือว่าเป็นก็เป็นผู้เห็นความเครียดแต่ถ้าหนูเครียกก็คือหนูเป็นผู้เครียดนะ นี่เข้าใจไหความเห็นกับเป็นมันแตกต่างกันแล้วของพวกนี้มันไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากนะไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ถ้าเราหมั่นดูใจของเราด้วยสติเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นวันหนึ่งนี่หลายครั้งทั้งบวกและลบเห็นใจฟูใจแฟบนะเด็กๆ ก, ก็ทำได้นะแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่ด้วย เพราะว่าเด็กเขาไม่ต้องใช้ความคิดมากคือเขาไม่คิดมากอาจารย์ประสงค์ปริปุลโนท่นนะท่านเคยเล่าว่าเคยสนทนากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ8ปขวบนะีท่านคงไปบรรยายที่โรงเรียนนะนั้นนะแล้วก็บรรยายเสร็จก็เจอเด็กก็เลยคุยกันสนทนากันเด็กก็เป็นคนเด็กฉลาดนะ แล้วก็เรียกว่ารู้จักพูดพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยบอกว่านหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็ยกก็ดึงรูก ป, ประคขึ้นมาจากย่ามพอเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามเด็กว่าหนูร้องอู้ฮูเนื้อหนูเห็นอะไรเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็น รูปรคำนะนเนนนด็ ก, ดตดนะเก ต, นะตอบ ว, ว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะนะแล้วเด็กก็ไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจ น, น, นะสังเกตนะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะถ้าหนูดีใจนี่แปลว่าหนูเป็นแล้วเป็นผู้ดีใจแต่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กเขาเห็นเห็นข้างในมันดีใจมันไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากนะ ไอาการที่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้แสนใกล้เลยเกินนะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่ผู้ใหญ่หลายคนเวลาตอบก็จะตอบว่าผมดีใจฉันดีใจแต่เด็กคนนี้บอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะอนนเด็กเขารู้เขาแยกออกระหว่างเห็นกับเป็นอาจารย์ประสงค์ก็ยังถามต่อไปว่าหนูเห็นเห็นแล้วเนี่ยหนูทํายังไงกับมัน ทํางไงความดีใจเด็กตอบว่าหนูไม่ทําอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันสงบลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วอันนี้ก็ตรงกับที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนท่านสอนนะว่าให้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆก็คือรู้เฉยๆเห็นเฉย ๆ, ๆไม่ต้องทําอะไรกับมันแค่เห็นมันเฉยๆเห็นเฉย ๆ, ๆนี่ก็เห็นโดยสตินั่นแหละ ไม่ต้องไปกดคมไม่ต้องไปไขว่คว้าแค่ดูมันเหมือนกับเราดูละครนั่งอยู่กับเก้าอีก้ก็ดูตัวละครลดนล่นอยู่บนเ ว, เวทีหรือว่ายึดนั่งอยู่ริมตะลิงแล้วก็เห็นน้ํากระแสน้ำไหลผ่านหน้าอะไรจะลอยมากับน้ําก็แค่ดูม่เฉยๆเห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ไปยึดไปหยาดไม่ผักใสอ่เด็กคนนี้เนี่ยแปะโกดเท่า น, นั้นเองนะ ไม่รู้ใครสอนนะเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูหนูไม่ทำอะไรกับมันหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้มันก็สงบลงและ้ะมันเบาลงละ้ที่เราปฏิบัติมาก็ก็ใช้หลักสองหลักนี่แหละก็คือเห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วก็รู้ซื่อๆนะที่จริงการจริญงสติมันก็ไม่ยากอะไรนะเพียงแต่ว่าตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่น นี่คือหลักการเจิตสสติตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่นะไม่ใช่ตัวอยู่นี่แต่ใจนี่ไปบ้านละนะหรือว่าใจไปนึกถึงอรองเท้านะที่วางเอาไว้หมามจะฆ่าไปหรือเปล่าเนะี่ยอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นก็ทําให้เราลืมตัวอันนั้นเรียกว่าใจลอยพอใจลอยก็ลืมตัวตัวอยู่ไหนใจอ ย, อยู่นั่นนะ แล้วถ้าเกิดว่าตัวกําลังเคลื่อนไหวเช่นกำลังยกมือกําลังเดินก็ให้รู้สึกนะว่ามือกําลังยกเท้ากําลังเดินไม่ต้องเพ่งนะถ้าปล่อยใจเป็นธรรมชาติเนี่ยมันรู้สึกได้เองหรือว่าถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันรู้สึกได้เองไม่ใช่แค่มือเคลื่อนไหวหรือว่าเท้าเดินเท่านั้นนะแม้กระทั่งกลือ น, น้ําลายหายใจกับพิบตามันก็รับรู้ได้มันรู้สึกได้ ไม่ต้องถึงกับไปเพ่งนะเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกนะแล้วเมื่อใจเผลอคิดนึกไปก็รู้ทันสรุปง่ายๆว่าเห็นกายเคลื่อนไหวหรือว่าเห็นกายเมื่อเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อคิดนึกหรือว่ารู้กายเมื่อเคลื่อนไหวเห็นใจเมื่อคิดนึกหรือว่าผู้ย่อสร้างก็นั่นคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็นด้ รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสตินะแล้วนี่แหละจะทำให้กลับมารู้สึกตัวแม้จะมีความลืมตัวพระเผลอไปความลืมตัวนั้นก็จะหายไปโดยเร็วเมื่อความรู้สึกตัวมาแทนที่มันก็แสงสว่างนะแสงสว่างมันย่อมขับไล่ความมืดนะแสงสว่างย่อมขับไล่ความมืดนะที่ไหนมืดพอ พอไม่เอาไฟฉายส่องมันก็หายไปไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเพียงแค่แสงสว่างเข้าไปทํางานเท่านั้นเองเวลามีความโกรธเวลามีความเศร้าเสียใจเราไม่ต้องไปทําอะไรกับความเศร้าเสียใจความโกรธนั้นเราเพียงแต่เปิดให้ให้สติเข้ามาทํางานให้สติเข้ามาคลองใจเราให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้น แล้วสติและความรู้สึกตัวนั้นก็จะไล่อารมณ์นั้นออกไปเองเขาเรียกว่าอารมณ์มันดับไปเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลตุโลนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกท่านมาละนาผ้าไปส0สิปีแล้วถามว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดนะมีหลายคนเนี่ยไม่ชอบความโกรธเจอความโกรธทีแรก็อยากจะกดคมมันเพราะมันเผาใจ ทำไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ท่านตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปนะก็คือว่าความมืดพอเจอแสงสว่างมันก็ดับไปทันทีนะหรือเหมือนกับโจร น, นะโจรมันแอบเข้าบ้านถ้าเกิดว่าเราหันไปเห็นหน้าโจรที่กําลังเข้ามาในบ้านนะ พอมันโจรพอโจรมันสบตาเราเนี่ยมันรู้ว่าเราเรารู้ล้วมันทํำยังไงมันก็รีบล่าถอยไปเลยเนี่ยมันหนีไปเลยนะเมื่อคนที่สมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีคนมาลักตัดไม้ในวัดมาตัดสมุนไพรวัดไม่ต้องวัดไม่ต้องทํำอะไรมากนันก็เพียงแต่อ่าไปดูว่ามันมีการตัดที่ตรงไหน พอคนเหล่านั้นเนี่ยเห็นพระนะหรือว่าเห็นแม่ชีก็ได้เขาก็ถอยหนีไปเลยและเมื่อเขารู้ว่าเรารู้นะโจรมันก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาเข้าบ้านเนี่ยเขาเข้าบ้านเพราะเราเผลอแต่พอเรารู้เราหันไปสบตาเขานะเขาก็ลาถอยไปเอง อารมณ์ต่างๆมันเหมือนโจร น, นะมันแอ บ, บเข้ามาตอนเราเผลอหน้าที่ของเราคือว่าอย่าเผลอหรือถึงอาจจะอาจจะเผลอไปแล้วปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็ให้รู้ทันไวๆไม่ใช่ปล่อยให้มันเข้ามาถึงห้องนอนนะอันนั้นอาจจะสายเกินการหรือว่าสายไปมากนะบางคนปล่อยให้ความโกรธเผาลนใจจนกระทั่งนะความดันขึ้น จนกระทั้งเจป่วยนะีอันนั้นมันช้าไปแต่ถ้าเกิดว่าทันทีที่มันเกิดประกายแห่งความโกรธขึ้นในใจหรือว่าเกิดความหงุดหงิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันลามก็หันมามารู้ทันไวๆเมื่อรู้ทันไวๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ลามเนะีย เอาอยู่นะถ้าเกิดว่าเรารู้ทันมันตั้งแต่เนิ่นๆฉนั้นฝึกเอาไว้นะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญนะแต่ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตนะหรือว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นสติที่เราฟูมฟังนี่แหละนะจะมาช่วยทาให้เราสามารถจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้ ยกตัวอย่างเช่นนะเวลาไปโรงหนังหรือว่าอยู่ในห้องประชุมปรกว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมามีคนตะโกนว่าไฟไหม้ขึ้นมานะนะถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะไม่รีบวิ่งโลนลานนะเราก็จะดูว่ามันมาจากไหนนะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่ไม่มีสตินะพอมีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ก็ ตื่นตกใจเพราะว่าเหยียบกันตายที่ตายกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะโดนไฟนะไม่ใช่โดนไฟเผาอนะไว้เหยียบกันตายก็เยอะเนะพราะอะไรเพราตื่นตกใจเพราะลนลานแต่ถ้ามีสติเนี่ยนะก็จะไม่ทำอะไรนะหุนหันพันแลัน เวลามีไฟไหม้ในตึกนะเห็นคนกรูกันไปคนที่มีสติก็จะไม่ตามไปด้วยก็จะรอสักพักก่อนเพราะว่าถ้าเกิดฝูงชนที่กรูกันไปเขาไปเจอทางตันเขาก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมแล้วถ้าเกิดเ ร, เราวิ่งตามเขาไปเนี่ยเราก็อาจโดนเขาเหยียบนะอันนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาหายไปเลยไม่กลับมาแสดงว่าเขาเจอทางแล้วเราก็วิ่งไปทางนั้นนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตกใจวิ่งนะตามฝูงชนไปบางทีก็โดนเหยียบหรือถึงไม่โดนเหยียบแต่เขาเจอทางตายเขาวิ่งกลับมาทางเก่าไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก็โดนเหยียบไปนะให้ในยา์หน้าซีดหน้าขวานเนี่ยจําเป็นมากเลยสติเนะี่ยแล้วใครจะไปรู้นะ ไอสิ่งที่เราฝึกมาในช่วง 3-4 วันนี้มันสามารถจะทำให้เรานะมีสติพอที่จะไม่ไปทำอะไรที่กลายเป็นผลเสียหรือเป็นภัยกับตัวเองในภายหลังเอคำนี้ก็เพื่งเท่านี้นะเอากาบพระ